คุณผู้ฟังคะสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีอยู่ในโลกนี้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเพราะว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านคะ่ะวันนี้บีมีเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวน่ากลัวมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องของพี่อรวรรณออนสุนทรนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น เมื่อตอนสมัยที่พี่อรวรัตนเองเนี่ยนะคะเรียนอยู่ที่วิทยาลัยครูที่8ริ้วอยู่ในหอพักซอยบริสุทธิ์นะคะเรื่องนี้มีอยู่ว่าพี่อรวรัตนเนี่ยต้องไปฝึกสอนงานที่บางน้ำเปรี้ยวเป็นเวลากลับบ้านพอดีเลยช่วงนั้นคุณพ่อก็ไม่ว่างมารับก็เลยให้หาหออยู่1เดือนแล้วก็มาได้หออยู่ใกล้กันกันกบท่ารถที่จะไปบางน้ำเปรี้ยวละค่ะ ห้องพักเนี่ยก็จะเป็นห้องเล็กๆมีแค่เตียงกับโต๊ะเขียนหนังสือราคาเดือนละ900บาทน้ำไฟก็จะเก็บรวมกันประมาณ 1,500 บาทเรียกว่าแพงมากค่ะสำหรับช่วงนั้นแต่ก็ต้องจำใจอยู่นะครับเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้ว่างที่จะมารับก็เลยต้องอยู่ที่นั่นไปประมาณเดือนหนึ่งคืนแรกก็นอนไปประมาณสักเที่ยงคืนเนี่ยได้ยินเสียงคนคุยกันที่หัวนอนจะเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆคุยกับเด็กเล็กๆ เหมือนจะเป็นเด็กผู้หญิงค่ะคุยกันด้วยหลายคนด้วยแหละนะคะเหมือนกับหลายคนเลยจับใจความไม่ได้ว่าคุยเรื่องอะไรกันนานมากและะ้วค่ะนั่งฟังก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมาคุยกันตรงนี้นะด้วยความสงสัยพี่อรวรรธก็เลยตัดสินใจปีนดูที่ช่องลมก็ไม่เห็นมีใครนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเสียงที่มาจากทีวีคิดได้แบบนี้ก็เลยล้มหัวลงไปนอนต่อ ทีนี้ได้ยินเสียงเคาะประตูห้องแลคะก็เลยคิดว่าเสียงเคาะดึกดึกเดินๆแบบนี้น่าจะไม่เข้าท่าและป้องกันตัวเองไว้ก่อนก็เลยถือไม้กระดองนะคะไม้กระดองแบบแบบเดียวกันกันกบที่รปภธนาคารเนี่ยเขาถือนะคะแล้วก็รปภเนี่ยเขาเฝ้าธนาคารเขาให้มาก็เลยตัดสินใจเปิดไฟค่ะแล้วก็เปิดประตูออกไปไม่เจอใครเลยคุณผู้ฟัง เวลาในขณะนั้นก็น่าจะประมาณตีสองกว่าแล้วนะคะก็เลยคิดในใจบอกว่าเอาหนะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดง่วงก็ง่วงมานึกได้ว่าวันที่ย้ายเข้าไปอยู่ที่หอนี้เนี่ยมันเป็นวันโกนวันโกนพอดีพอดีเลยค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้วันโกนคืออะไรวันโกนคือก่อนวันพระ1วันนะคะสมมุติว่าเป็นแรมแรม7ค่ำและกันพรุ่งนี้เป็นแรม8ค่าซึ่งแรม8ค่าเนี่ยก็จะเป็นวันพระพอดี นะคะโดยปกติแล้วพี่ออรวรรณเองก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนขี้กลัวอะไรหรอกค่ะก็หลับไปพอตื่นมาตีห้าตื่นมาอาบน้ํามันจะเป็นห้องน้ํารวมพี่เขาตกใจมากเลยนะคือตื่นมานี่เห็นเลือดเต็มห้องเลยนองพื้นไปหมดเลยก็เลยคิดว่าอืใครมันเอาอะไรมาทําแบบนี้หรือเปล่ามันมีการรับน้องอะไรหรือเปล่าก็เลยมองหาที่มาของเลือดค่ะไปเจอไปเจอต้นเสาในห้อง ตรงโต๊ะเขียนหนังสือคือเห็นแล้วหมดแรงเลยคุณผู้ฟังแต่ทำไมต้องเจอแบบนี้ก็ได้แต่คิดนะคะก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้าที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยไปเช็ดตรงโต๊ะส่วนที่เป็นพื้นเอาผ้าห่มเช็ดแต่ว่าไม่กล้าเอาออกไปทิ้งกลัวคนคนมาเห็นแล้วก็เข้าใจผิดว่าเราเนี่ยทาอะไรไม่ดีมาเออก็เลยแต่งตัว อะไรออกไปเดิน่างไปฝึกสอนที่โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยวพอกลับมาตอนเย็นค่ะเอาอีกแล้วเลือดไหลออกมานองเต็มพื้นห้องอีกแล้วทีนี้พี่อรวรัณนเองแกก็เลยไปเรียกเจ้าของห้องมาดูเขาก็ทำแบบไม่อยากมานะอิดออดประมาณนี้พี่อรวรัณนก็เลยบอกว่าพี่มาดูเธอถ้าเผื่อมันมีอะไรยังไงเนี่ยจะได้ช่วยกันแก้ไขแล้วถ้ามันมีอะไรทาไมพี่ไม่บอกเออมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยนะ ทีนี้พอเจ้าของห้องเขามาค่ะไม่มีเลือดสักหยดเป็นไปได้ยังไงพี่เขาบอกเจ้าของห้องบอกว่าเมื่อก่อนหน้านทีนี้มันยังมีอยู่เลยนะพี่ตอนที่พี่มาเนี่ยมันไม่มีคือแบบงงมากก็เลยตัดสินใจบอกกับต้นสาบอกว่ายังไงขอพักแค่เดือนเดียวเท่านั้นแต่ว่าในใจเนี่ยมันไม่ได้ตรงกันกันกบคำพูดไงคะคุณผู้ฟังคิดแค่ว่าจะพักแค่อทิตณ์นี้กับอทิตย์หน้าก็ไปแล้วเปิดอาดลาด พี่อรวรรกก็เลยบอกอีกค่ะว่ามาอยู่ที่เนี่ไม่ได้มาลบหลู่อะไรยังไงก็เห็นใจด้วยเถอะแล้วพี่เขาก็เข้านอนแต่ว่าเสียงคุยคืนนี้มากกว่าคืนก่อนนะคุณผู้ฟังเป็นเสียงที่ดังมากกว่าเดิมด้วยแล้วก็เป็นเสียงที่ทะเลาะกันค่ะพี่อรวรรกก็แปลกใจว่าเอ๊ะห้องข้างๆมันไม่ได้ยินบ้างหรือ ย, ยังไงเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ค่อยถามให้รู้เรื่องกันละกันพอเช้าเข้าค่ะเจอน้องข้างห้องก็เลยถามว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย ได้ยินคนคุยกันไหมน้องเขาก็เลยตอบว่าไม่ได้ยินเลยค่ะพี่แต่ว่าหน้าตาของน้องนี่ไม่ค่อยดีนะพีอรวันก็เลยตัดสินใจโทรหาคุณแม่นะคะเล่าเรื่องนี้ให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันเสราร์จะให้ป้าเขาไปรับเพราะว่าป้ากลับมาจากอบรมแล้วโอ้พียรวันเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเลยละะ่ะค่ะดีใจมากวันศุกร์ก็เลยตัดสินใจกลับบ้านที่หมู่บ้านกระป๋องแดง ที่พนัฐนิคมเล่าทุกอย่างให้ป๋าฟังป๋าเล่าให้ฟังว่าย่าเนี่ยมาเข้าฝันบอกว่าให้มารับกลับบ้านที่นั่นมันน่ากลัวอย่าให้อยู่คนเดียวแล้วก็อย่าลืมนะไปรับพี่อรวรันเนี่ยกลับมาบ้านด้วยย่าย้ํากับป๋าหลายครั้งในความฝันนะคะทีนี้พอเช้าวันเสาร์พี่อรวรันก็มากับป๋าแล้วก็บอกเจ้าของหอว่าจะย้าย เขาก็ไม่คืนเงินให้นะไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเลยพอเปิดห้องหูป้าตกใจมากคือเห็นเลือดแดงกลางติดเสื้อผ้าสีดำแบบแดงจนแบบจนเป็นสีดำจนคล้าอะ่ะคุณผู้ฟังป้าซึ่งเป็นพ่อ ง, องคุณอรวรันเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเสาตกน้ำมันเอามาทำเสาได้ยังไงดีนะที่พี่อรวรันเองยังแขวนพระติดตัวเนี่ยไม่งั้นแย่แน่รีบกลับเลยค่ะ พี่อรวรรนบอกว่าช่วงที่อยู่ที่นั่นหนึ่งอาทิตย์เนี่ยรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกคือแน่นเน อ, อกมากพอออกมานอกห้องก็รู้สึกโล่งค่ะส่วนเรื่องคนคุยกันเนี่ยถามเพื่อนที่อยู่หอถัดไปเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่า ของของเจ้าของหอเนี่ยเขากินยาฆ่าตัวตายตรงแถวที่พี่อรวรันพักแล้วก็ห้องที่พี่อรวรันพักอยู่นี่แหละมีตำรวจมานอนตายค่ะไม่ทราบสาเหตุอยู่บนเตียงที่นอนตั้งแต่นั้นมาค่ะก็เลยไม่กล้าอยู่หอพักนี้อีกเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่น่ากลัวน่ากลัวที่คุณผู้ฟังทางบ้านส่งมาให้เราได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับฟังกันนะคะ แล้วคุณผู้ฟังท่านอื่นอย่าลืมนะคะมีเรื่องน่ากลัวแบบนี้ค่ะสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาทางแฟนเพจ facebook พระเจอผีได้นะคะส่งเรื่อ ง, องท่านมาเดี๋ยวบีจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังทาง youtube พระเจอผีขอพระคุณพี่อรวรรธมากๆสำหรับเรื่องนี้ค่ะทีนี้มาฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของ พระมหานะคะซึ่งท่านก็มีฉายาว่าพระมหาบุญไทยปุญญ ม, มโนนะคะเป็นผู้ที่เล่าเรื่องค่ะก็ขออนุญาตนำเรื่องของท่านมาเล่ า, าให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้ฟังต่อเป็นประสบการณ์การออกทุดงแล้วก็ต้องไปเผชิญ ก, กันกับผีแม่ไม้นะคะ เห็นข่าวพระธุดงหลอกขายพระเครื่องแล้วก็สะท้อนใจพระธุดงสมัยนี้เดินทางเข้าเมืองหลวงสิ่งที่ท่านทำจนกลายเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์นั้นก็มีส่วนทำให้พระรูปอื่นเสียหายไปด้วยเรียกว่าปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยคือเหม็นทั้งคลองเลยนะคะอย่าว่าคลองเลยเรียกว่าหนองเลยก็แล้วกัน ในอดีตพระธุดงนั้นค่ะมักจะอยู่ตามป่าตามเขาหรือไม่ก็บําเพ็ญภาวนาในป่าช้าซึ่งอยู่ห่างไกลาจากความเจริญแต่ทีนี้เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าพระธุดงก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วยหลายปีต่อมาแล้วนะคะเคยฟังเรื่องประสบการณ์การเดินทุดงของพระภิกษุรูปหนึ่งท่านมีเมตตาเล่าประสบการณ์เมื่อครั้งที่เกิดปรากฏการผีแม่ไม้ให้ฟังค่ะก็เลยขอถ่ายทอดให้ได้ฟังกันแต่ว่าฟังแล้วก็ต้องใช้วิจารณ์ ณาในการรับฟังด้วยนะคะท่านปุญญราโมกับท่านธรรมวิดิโยนะคะเดินทางจากภูเก้ามุ่งหน้าสู่วัดหินหมากเป้งจังหวัดนองคายวันนี้ท่านปุญญราโมท่านเมตตาเล่าให้ฟังสรุปได้นะคะว่าจากวัดพระพุทธบาทภูเก้าเดินตามเส้นทางระหว่างรอยต่อของอาเภอโนนสัง แล้วกของหนองวัวซอซึ่งในตอนนั้นนยังเป็นจังหวัดอุดรธานีทั้ง2องอำเภอนะคะแต่ว่าปัจจุบันอำเภอโนนสังเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลําพูและผู้ที่เล่าเรื่องนี้นะคะก็คือท่านปุญญารามโมค่ะท่านอุปสมบทก่อนที่จะมีจังหวัดหนองบัวลําพูมาแล้วหลายปีหากแต่ว่ามีคนถามเมื่อใดว่าเป็นจังหวะเป็นคนจังหวัดไหนท่านก็จะตอบด้วยความเคยชินบอกว่าเป็นคนจังหวัดอุดรธานีนะคะ ที่นี้ท่านบุญญาราโมกับท่านธรรมวิดิโยในยท่านพักอยู่ที่วัดพระพุทธบาทภูเก้าหลายวันพอหายเหนื่อยแล้วก็เลยมุ่งหน้าออกเดินทางตามกำหนดการเดิมโดยมีจุดมุ่งหมายก็คือที่วัดหินหมักเป้งจังหวัดหนองคายค่ะส่วนมากนะคะท่านธรรมวิทิโยกับท่านบุญญาราโมเนี่ยคือท่านจะเดินลัดเลาะไปตามชายป่า ไม่ค่อยได้แวะเข้าหมู่บ้านใดเป็นพิเศษหากถึงเวลาค่ำก็หาที่พักปักกลดกันพักผ่อนตามต้นไม้ชายป่าหรือว่าชายเขาก็สุดแท้แต่จะพานพบแต่ว่าไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านนักจะได้สะดวกต่อการโคจรบินทบาทประสบการณ์เมื่อครั้งที่ภูเก้านั้นเนี่ยเป็นบทเรียนที่เรียกว่าต้องสอนให้ท่านจดจำกันเลยทีเดียวนะคะ จนกระทั่งวันหนึ่งค่ะฟ้าเริ่มมืดค่ำก็มองเห็นแสงสีทองทาบทับขอบฟ้าทางปัดจิมทิศพร้อมกับมีหมู่เมฆนี่มันไหลเอ่อยๆเหมือนประหนึ่งว่าจะเป็นสัญญาณว่าวันนี้ฝนตกหนักนะพระธุดงสองท่านเนี่ยนะคะสองรูปเนี่ยก็เลยมองหาที่หลบฝนเดินทางไปถึงป่าแห่งหนึ่งใกล้ชายป่าชายเขาทันเวลาก่อนค่าเล็กน้อย ก็เห็นนะคะว่าเป็นสถานที่สปายะคือเหมาะกับการหยุดพักสําหรับพระธุดงค์ในคืนนี้ก็เดินดูรอบๆก็เป็นเพียงป่าตอนเล็กๆที่ไม่มีผู้ที่อยู่อาศัยแต่ว่าจากการสังเกตเนี่ยทำให้รู้นะว่าที่นี่คือป่าช้าเพราะว่ายังเห็นกองฟอนที่ไฟกําลังจะมอดดับก็คงเป็นการเผาศพชาวบ้านที่เพิ่งเสียชีวิตมาไม่เกิน 2- อสาวันป่าช้านี่เรียกว่าเป็นที่ที่เหมาะกันมากเลยนะกับพระป่าเพราะว่าจะไม่มีใครมารบกวน ทุกคนสงวนไว้สำหรับคนตายแล้วก็พระทุดงกรรมฐานที่ชอบพักในสถานที่แบบนี้เท่านั้นคืนนั้นท่านก็แยกย้ายกันพักคนละมุมของป่าช้า ก, กา็กลางกลากรดกันได้เวลามืดค่ำพอดิบพอดีนะคะพอหลังทําวัดสวดมนต์เสร็จก็ได้แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดที่แก่ที่เจ็บตายร่วมโลกกันหากมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป จากนั้นก็นั่งกำหนดจิตภาวนาอยู่ในอารมณ์กรรมฐานตามปกตินั่นคือวิธีที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาว่าหายใจเข้านี้ให้ใช้คำบริกรรมว่าพุทธนะหายใจออกกำหนดด้วยคำว่าโทชีวิตอยู่กับลมหายใจแล้วก็บริกรรมคำว่าพุทธโทจนกระทั่งคำบริกรรมหายไปเหลือเพียงแค่ลมหายใจอละเอียดสงบนิ่งท่านบอกว่านานเท่าไหร่ก็จาไม่ได้เหมือนกันรู้แต่ว่ากาหนดจิต พอเข้าสู่สมาธิแล้วก็หยุดอยู่ในเอกคกตารมนั้นเหมือนกับว่ามันมีคนจํานวนมากเลยนะมาลุมล้อมบางคนนี่กราบบางคนนี่ไหว้บางคนนั่งหัวเราะบางคนนั่งร้องไห้อิริยาบทหลากหลายที่คาดไม่ถึงซึ่งท่านเองก็ไม่ได้แสดงอาการอย่างใดออกมาให้พวกคนที่เขาลุมล้อมเนี่ยเห็นก็ปล่อยให้เขาแสดงกิริยาอาการต่างๆไปสักพักหนึ่งพวกเขาก็หยุด แล้วก็มีร่างของหญิงสาวคนหนึ่งนะแต่งตัวในอาพรสวยงามประด็นหนึ่งว่าเป็นขัตติยากษัตรีที่เคยเห็นในภาพยนตร์โบราณบางเรื่องคือมากันหลายคนแล้วค่ะก็เดินทางเข้ามาอย่างองอาจสง่าผ่าเผยคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนั่งบนเก้าอี้สูงซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันท่าทางประทับนั่งเนี่ยประดุดหนึ่งนางพญาก็ไม่ปาน พวกผู้ชายที่กำลังแสดงอาการต่างๆก็พลันหายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยจากนั้นก็เห็นนางพยาขัตติยานีคนนั้นเนี่ยกระซิบสั่งให้หญิงสาวสองคนซึ่งแต่งตัวด้วยผ้าถุงซึ่งมีเพียงผ้าสบายคลุมไหล่คนหนึ่งสีเขียวอีกคนหนึ่งสีแดงอมชมพูก็เดินเข้ามาหาด้วยท่าทางการเดินของเธอทั้งสองคนนี่อ่อนช้อยงดงามอย่างยิ่ง หญิงสาวคนหนึ่งนี่กล่าวด้วยสำเนียงเหมือนบังคับบอกว่านางพญาต้องการท่านไปเป็นสามีท่านจะว่าอย่างไรปุญญาราโมซึ่งเป็นพระภิกษุที่เล่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เลยบอกไปบอกว่าอาตมาเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระวินัยไม่อนุญาตให้มีภรรยาได้และอาตมากาลังบาเพ็ญบารมีเพื่อจะได้พบกับทางบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาหญิงสาวคนที่กล่าวกับพระภิกษุรูปนี้ค่ะก็เลยบอกว่า นางพญาไม่เคยถูกใครปฏิเสธมาก่อนชายทุกคนที่มีมาเนี่ยมีแต่หมายปองอยากได้นางเป็นภรรยาทั้งนั้นทำไมวาสนามาเกยแล้วท่านถึงปฏิเสธด้วยเราคิดดูให้ดีหากท่านตกลงสมบัติทุกอย่างจะเป็นของท่านท่านจะกลายเป็นพระราชาครอบครองเมืองแห่งนี้พระนางพูดจบ ก็เหมือนกับมีปร า, าสาทนคีคะพุดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาในปร า, าสาทนั้ น, เ, นเต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองจํานวนมากมายมหาศาลวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างสวยงามประดับด้วยทองคําเหลืองอาสามเลยภายในปร า, าสาทเนี่ยมีแต่คนแต่งตัวสวยสดงดงามเต็มไปหมดค่ะมีเก้าอี้ประดับตกแต่งสวยงามว่างอยู่แห่งหนึ่งด้านซ้ายมองเห็นนางพญาประทับนั่งเด่นเป็นสง่าส่วนด้านขวายังว่างอยู่เหมือนกําลังเชื้อเชิญให้พระราชาประทับนั่ง คุณยะราโมพิกขุค่ะขยับจะก้าวเดินอยู่แล้วเพราะว่าทนต่อการเย้ายวนของทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่ไหวแต่ว่าในขณะที่กำลังจะยอมแพ้อยู่ก็มีพระสงฆ์ชารารูปหนึ่งซึ่งก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่าเป็นใครเหมือนกับบังเอิญเดินผ่านมาแล้วก็กล่าวขึ้นมา ล, ลอยๆบอกว่าท่านจะไปวัดหินหมากเป้งไม่ใช่รืยังเดินทางไปได้ไม่ถึงไหนเลยทาไมจะเปลี่ยนเป้าหมายซะละ่ะจากนั้นก็เดินลับหายเข้าไปในป่าราวกับว่า มีเวทมนต์นะคะพระภิกษุปุญญาดาโมหาก็เลยได้สติกลับมาอีกครั้งหนึ่งพอหันกลับมามองอีกทีหนึ่งทุกอย่างอยู่ในความเงียบปราสาทพระราชวังรวมทั้งคนทั้งหญิงสาวสวยเนี่ยทุกอย่างหายหมดเลยเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนทั้งหมดเป็นเพียงภาพมายาที่เกิดขึ้นภายในจิตเท่านั้นปุญญาราโมออกจากสมาธิหันมองซ้ายขวาก็ยังคงเห็นป่าช้าที่เงียบสงัด ก็ได้ยิน The er แต่เสียงแมลงกลางคืนแล้วค่ะส่งเสียงเป็นพักๆมายาการที่เกิดขึ้นเหมือนความฝันแต่ว่าทำไมถึงเป็นภาพที่เห็นเนี่ยมันเหมือนกับภาพจริงป่าก็ยังคงเป็นป่ากองฟอนที่อยู่ไม่ไกลนักที่กำลังจะมอดดับถูกลมพัดปรากฏว่าเป็นเพลิงคลุกกลุ่นขึ้นมาอีกครั้งแสงจากกองไฟที่เผาศพนั้นค่ะมองดูไกลๆมันเหมือนดวงตาของสัตว์ร้าย คิดถึงธรรมวิดีโอพระภิกษุร่วมชะตากรรมขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้แต่ทว่ายังคงจะไปเยืนในยามวิกาลเช่นนี้ไม่ได้ป่าชานี่อาจจะแฝงไปด้วยอันตรายที่คาดคิดไม่ถึงก็ได้พระภิกษุปุญญาราโมนี่ก็เลยตัดสินใจหลับพักผ่อนนะคะภาพมายาต่างๆก็ไม่ปรากฏให้เจออีกเลยก็ได้ยินแต่เสียงไก่ขันล่าแววมาจากหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลนักมันเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่ารุ่งอรุณกําลังจะมาเยือน แสงเรื่อเรือของขอบฟ้าก็เริ่มปรากฏไม่นานนักธรร ม, มวิริโยก็เดินอุ้มบาตรผ่านไปวันนั้นพระภิกษุหนุ่ม2รูปก็เดินบินทบาทที่หมู่บ้านแห่งนั้นชาวบ้านก็แปลกใจนะเอ๊อยู่ๆมีพระสงฆ์มาเดินบินทบาทโดยไม่คาดฝันก็เลยตักบาตรด้วยอาหารเท่าที่จะหามาได้ในขณะนั้นอาหารที่ได้ในวันนั้นก็จะมีเพียงข้าวเหนียวเปล่าไม่มีกับอะไรเลยแต่ก็เพียงพอสําหรับที่จะทําให้ชีวิตมีกําลังอยู่ต่อไปได้ ระยะทางจากป่าช้าถึงหมู่บ้านเท่าที่คานวณดูนี่น่าจะไม่ต่ำกว่า3กิโลเมตรนะคะกลับถึงที่พักทุกอย่างก็ยังคงเป็นปกติค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ปกติก็คือชาวบ้านเดินตามพระหนุ่มทั้งสองมาแบบห่างๆพอถึงที่พักต่างก็เข้ามานั่งนมัสการสนทนาธรรมด้วยแล้วก็บอกให้รอสักครู่คือนิมนต์ให้รอชาวบ้านกาลังนาอาหารมาถวาย จากคําบอกเล่าของชาวบ้านทําให้ทราบนะคะว่าหมู่บ้านแห่งนี้นีกําลังตกอยู่ในความกลัวเพราะว่ากําลังมีผีแม่ม่ายมาพรากชีวิตชายหนุ่มตายไปหลายคนเลยนี่ก็เพิ่งเผาไปได้ไม่ถึง3วันชายหนุ่มในหมู่บ้านแห่งนี้เมักจะเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะก็คือการนอนหลับตายไปเฉยๆท่านเห็นไหมที่รั้วบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันจะมีภาพประลัดขิกทาสีแดงหัวใหญ่บ้างหัวเล็กบ้างอยู่เต็มหมู่บ้านไปหมด เพราะเชื่อกันว่าผีแม่ไม้เนี่ยจะมาเอาชีวิตของชายหนุ่มไปเป็นสามีแต่เมื่อเห็นประหลัดขีดก็คงจะนึกว่าเป็นผู้ชายก็เลยเอาไปเพื่อจะเป็นสามีชายหนุ่มในหมู่บ้านนี้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเกือบ1ิบคนแล้วนะคะเฉพาะในเวลาเพียง2เดือนนะ พระภิกษุปุญญาราโมก็เลยคิดถึงมายาการที่ปรากฏให้เห็นเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะรอยยิ้มอัญเชิญชวนของหญิงเหล่านั้นยังคงติดตาตรึงใจอยู่แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่ามันเป็นภาพที่ลบได้ยากมากแต่ว่ามีชายชราคนหนึ่งนะเป็นตัวแทนชาวบ้านนี่กล่าวขึ้นมาบอกว่าขอนิมนต์ท่านอาจารย์ทั้งสองพักอยู่ที่ป่าช้าแห่งนี้อีกสักหลายวันและขอให้ช่วยปราบผีแม่ไหมให้พวกผมด้วยตอนนี้ พวกผมไร้ที่พึ่งแล้ววัดในหมู่บ้านก็ร้างไปนานแล้วก็ยังหาพระสงฆ์มาจำพรรษาไม่ได้เลยส่วนกองไฟที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็คือศพของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตเพราะว่านอนหลับชาวบ้านเรียกว่าไหลาตายแต่พวกผมเชื่อกันว่าเป็นฝีมือของผีแม่ไม้หันหน้าไปมองท่านธรรมวิริโยเหมือนกับจะบอกว่าแล้วแต่ท่านนะท่านอยู่ผมก็อยู่ปุญญารามโมภิกษุก็เลยบอกชาวบ้านไปบอกว่า ตกลงอาตมาสองรูปเนี่ยจะพักอยู่ที่ป่าช้าแห่งนี้สักพักหนึ่งแต่กำหนดไม่ได้ว่าจะอยู่กี่วันส่วนเรื่องผีแม่ไม้นั้นอาตมาคิดว่ารอดูไปสักพักคงไม่ร้ายแรงอะไรหากเป็นผีจริงก็คงจะมีคุณธรรมไม่ทำร้ายชีวิตผู้คนอย่างไม่มีเหตุผลทุกอย่างน่าจะแก้ไขได้พอปุญญะรามโมภิกขุพูดจบนะคะชาวบ้านต่างก้มกราบด้วยความดีอกดีใจแล้วค่ะทีนี้เมื่อชาวบ้านกลับบ้าน ก, บบานกันหมดแล้ว ท่านธรรมวิทยโยก็เลยเอ่ยขึ้นน ะ, ะว่าปัญหานี้ท่านเป็นคนผูกท่านจะแก้อย่างไรปุญญะรามโมก็เลยเล่าภาพมายาที่เห็นเมื่อคืนนี้ให้ฟังก่อนจะสรุปว่าผมก็ไม่ใช่ว่าอยากจะลองดีเพียงแต่ว่าสงสัยว่าทำไมสิ่งที่ผมประสบพบเห็นเนี่ยมันถึงเหมือนกับที่ชาวบ้านเล่าให้ฟัง บุญญาราโมโนและธรรมะวิริโยภิกษุหนุ่ม2รูปก็เลยตัดสินใจพักอยู่ที่ป่าช้าแห่งนั้นอีกนะคะแล้วก็ยังคงทำภารกิจทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ผ่านไปเพียง3วันแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชายหนุ่มในหมู่บ้านก็ไม่มีใครเสียชีวิตในช่วงนั้นเลยมายาการที่เคยปรากฏกายให้เห็นก็ไม่มีอีกนะคะในวันต่อมาค่ะ ภิกษุหนุ่มสองรูปนะคะก็เลยจำเป็นต้องทำพิธีเพื่อความสบายใจของชาวบ้านละโดยการเจริญพระพุทธมนต์แต่ว่าเพิ่มบทสวดมนต์อีกสองบทก็คือธรรมจักรกับปะวัตนสูตรแล้วก็มหาสมัยสูตรซึ่งต้องใช้เวลาสวดนานมากพิธีกรรมถูกจัดขึ้นที่บ่อน้ำนอกหมู่บ้านค่ะสวดทำน้าพุทธมนต์โดยหยดเทียนลงไปในบ่อน้าที่ชาวบ้านใช้ดื่มทั้งหมู่บ้าน แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านเนี่ยทาครั้งเดียวเรียกว่าใช้ได้ตลอดไปแล้วก็บอกลาชาวบ้านนะคะว่าจะเดินทางต่อไปแล้วเพราะว่าจุดหมายยังคงอยู่ที่วัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายคืนนั้นนะคะปุญญธรามโมภิขุก็เลยกำหนดจิตแผ่เมตตาไปยังวิญญาณทั้งหลายตามปกติแต่กำหนดพิเศษไปยังวิญญาณของหญิงสาวทั้งหลายที่เคยเห็นในมายาการคืนแรกพร้อมทั้งบอกลา ตกดึกคืนนั้นเป็นคืนเดือนไง่ป่าช้าก็ดูสลัวไปด้วยแสงแห่งดวงจันทร์บรรยากาศกลางฤ ด, ดูร้อนค่ะแต่ว่าอากาศเย็นสบายมีสายลมโชยมาแผ่วเบาธรรมวิรีโยแยกไปอยู่นานไ ป, ไปพักอีกที่หนึ่งคือกรดของท่านเนี่ยนานแล้วและก็ยังคงนั่งสมาธิจเจริญภาวนาไปตามปกติ ปุญญาราโมก็กําหนดจิตแน่วแน่ก็เลยเข้าสู่ความสงบค่ะชอบพลันทุกอย่างก็เหมือนหยุดนิ่งหญิงสาวที่เป็นนางพญาคนนั้นเนี่ยก็เดินทางเข้ามาหาพร้อมกับอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้าราชบริพาร ล, ลูกน้องนะคะแล้วก็บริวานอะไรประมาณนี้ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มพูดถึงความแสดงของความเป็นมิตรแบบอุบาสิกาทั่วไป ไม่ได้ประดับประดาร่างกายด้วยเครื่องอาภรณ์อลังการเหมือนวันก่อนพวกเธอมาในเพศของหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาพอเข้ามาใกล้ต่างก็พากันก้มกระบจากนั้นก็ขอให้แสดงธรรมให้ฟังปุญญาาโมก็เลยบอกไปว่าอัตมาเป็นพระบวทหมย่ยังไม่ได้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งแต่มีกุศ ล, ลจิตอยากปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เคยได้ยินมาจากครูบาอาจารย์สอนว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มี แม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีเท่านี้แหละนำไปพิจารณาดูเอาเองเถิดยิงที่เป็นหัวหน้าบอกว่ามหาสมัยสูตรที่ท่านสวดให้ฟังทุกคืนนั่นแหละที่ทำให้จิตใจของพวกดิฉันมีความสุขเหล่าเทวดาทั้งหลายต่างมาสาทุการพวกดิฉันก็พลอ ย, ยินดีไปด้วยขออนุโมทนาในการบวชของท่านขอให้มีความสุขและขอให้เห็นธรรมแล้วกลับมาแสดงให้พวกดิฉันฟังด้วย พระมาหาบุญไทยหรือว่าปุญญะราโมพิกขุท่านพูดว่าผมไม่รู้ว่าหมู่บ้านแห่งนั้นยังมีชายหนุ่มที่เสียชีวิตเพราะผีแม่ไม้อีกหรือไม่และผีแม่ไม่เป็นใครมาจากไหนนั้นผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่ได้พบเห็นในขณะที่พักที่ป่าช้าแห่งนั้นผมมั่นใจว่าพุทธธรรมของพระพุทธศาสนานั้น เราพูดผีปีศาจทั้งหลายก็ต้องพ่ายแพ้ไปปุญญะราโมสรุปก่อนจากกันในวันนั้นปุญญะราโมยังบอกว่าหากมีเวลาควรสวดมหาสมัยสูตรพวกวิญญาณและเทพ ย, ายดาอารักทั้งหลายเขาชอบฟัง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากพระมหาบุญไทยปุญญะโนนะคะเล่าไว้เมื่อวันที่20เดือน4ปี2554ค่ะปีเองก็ขออนุญาตนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยนะคะหมดเวลาของพระเจอผีแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเราด้วยแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ